เววเสียงสวรรค์เล่มหนึ่งโดยพรรัตนสุวรรณคำนำเรื่องแววเสียงสวรรค์ครั้งแรกได้เขียนเป็นตอนตอนลงในหนังสือวิญญาณมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันสองห้าศคำว่าแววเสียงสวรรค์มีความหมายอย่างไรขอให้อ่านดูในข้อความตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ และการที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มนี้ก็เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่จะอ่านเรื่องนี้ติดต่อไปโดยลำดับและเท่าที่นำมาพิมพ์นี้ยังไม่จบเป็นเพียงเล่มที่หนึ่งซึ่งได้รวบรวมเรื่องแววเสียงสวรรค์มาจากในหนังสือวิญญาณตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2509ไปจนถึงเดือนธันวาคม2510เรื่องแวเสียงสวรรค์ได้เขียนต่อไปอีกจนถึงปี2516เพราะเหตุที่เรื่องนี้ยาวมาก จึนั้นจึงอาจต้องทําเป็นสหรือสี่เล่มผู้ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกควรอ่านดูสารบัญโดยละเอียดซะก่อนเพื่อท่านจะได้ทราบว่าปัญหาต่างๆที่คนทั่วไปสงสัยและใครจะรู้นั้นมีอะไรบ้างที่ได้เคยถามเทพเจ้าต่างๆมาแล้วและเข้าใจว่าปัญหาที่มีหลายคนสงสัยและได้เรียนถามท่านนี้ตัวท่านเองซึ่งเพิ่งจะได้อ่านก็อาจจะได้พบปัญหาอย่างเดียวกันกับที่ท่านเคยสงสัยมาแล้ว และคําตอบต่างๆที่นำมาลงในหนังสือเล่มนี้ขพเจ้าก็ได้พยายามทำอย่างละเอียดและปราณีตมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้และปัญหาเท่าที่นำมาพิมพ์ไว้ในหน้าสารบานนัญนี้บางอย่างก็ย่อใจความมาและยังมีปัญหาอีกหลายอย่างซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่มีอยู่ในหน้าสารบานนัญนี้แต่ไม่ได้นำมาพิมพ์ไว้ด้วยกันก็มีอีกมากเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพบปัญหาที่น่าสนใจสาหรับท่าน ก็ควรจะไปเปิดดูในเล่มตามหน้าที่สารบัญบอกไว้อย่างละเอียดแล้วท่านก็จะรู้ว่าความสงสัยต่างๆอย่างที่ท่านมีนั้นมักจะมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เกือบทั้งหมดข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะให้ความสว่างได้อย่างมากทีเดียวสำหรับปัญหาที่คนส่วนมากสงสัยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกหน้าคือในโลกของโอปปปาติกะโดยปกติหนังสือทุกเล่มที่ข้าพเจ้าเขียน จะต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเล่มอื่นๆด้วยเสมอเพราะแต่ละเล่มมุ่งให้รายละเอียดเป็นอย่างอย่างไปผู้ที่จะอ่านเรื่องแวาเสียงสวรางให้เข้าใจจริงๆ จ, งจึงต้องอ่านเล่มอื่นด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีสำหรับท่านที่ต้องการจะทราบเรื่องอย่างละเอียดเกี่ยวกับชีวิตในโลกของวิญญาณหรือในโลกของโอปปาติกะนั้นจึงควรจะอ่านหนังสือสู่แสงสว่างผีและเทวดามีจริงวิญญาณคืออะไรและเรื่อง โลกทิพย์ประกอบด้วยอันหนึ่งสำหรับแววเสียงสวรรค์เล่มสองนั้นท่านผู้อ่านก็ไม่ต้องคอยนานเพราะขณะนี้ก็ได้เริ่มลงมือจะจัดพิมพ์แล้วท่านอาจจะสั่งมาพร้อมกันเลยก็ได้พรรัตนสุวรรณสิบธันวาคมพุทธศักราช2516 สำนักค้นคว้าทางวิญญาณในวงเล็บชั่วคราว47ทับ2ถนนสามเสนบางลำพูกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02 282 2025เข้าตรอกข้างร้านตัดเสื้อมิรชายอยู่ใกล้ๆกับถนนลำพูทางเข้าวัดสังเวช